คีติหมวดหท่านผู้มีอายุทั้งหลายทำหมวดละหประการที่พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตรัสไว้โดยชอบแล้วมีอยู่พวกเราทั้งหมดนี้แหละพึงสังขยนาไม่พึงวิวาทกันในธรรมนั้นละถึงเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทำหมวดละห้าประการคืออะไร คือ1ขันห1ขันห1รูปขันกองรูป2เวทนาขันกองเวทนา3สัญญาขันกองสัญญา สี 4, สังขารขันกองสังขาร 5. วิญญาณขันกองวิญญาณ 2. อุปาทานขันขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่น5 1. รู ป, ปู ป, ปาทานขันอุ ป, ปาทานขันคือรูป สเวทนูปาทานคันอุปาทานคันคือเวทนา 3. สัญญูปาทานคันอุปาทานคันคือสัญญา 4. สังขารูปาทานคันอุปาทานคันคือสังขาร 5. วิญญาณูปาทานคันอุปาทานคันคือวิญญาณ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 ชวนให้รักชักให้ใครพาใจให้กำหนัดสีคติพบที่สัตว์ไปเกิด 5. 1. หนึ่งนิรยะนรก 2. ติระชานโยนิกำเนิดสัตว์ดิระชาน 3. เปติวิสัยด้านเปรต 4. มนุษะมนุษย์ 5. เทวะเทวดา 5. มัชฌิริยะความตรณี5 1. อาวาสัมัชฌิริยะความตรณีอาวาตสอกุลละมัชฌิริยะความตรณีตรกูล 3. ลาภะมัจฉริยะความตรณีลาบ 4. วันณะมัจฉริยะความตรณีวันณะ 5. ธรรมะมัจฉริยะความตรณีธรรม 6. นิวรณ์สิ่งที่ขัดขวางจิต ไม่ให้บรรลุความดี5 1. กลามชฉันทานิวร์นิวรคือความพอใจในกลาม 2. พยาบาทนิวร์นิวรคือความคิดร้าย 3. ถีนามิทะนิวร์นิวร์คือความหดหู่และเสื่องซึม 4. อุท จ, จกักกุกุจันิวร์นิวรคือความฟุ้งซ่านและร้อนใจ 5. วิจิกิจชานิวรนนิวรคือความลังเลสงสัยเจ็ดโอรัมพาคิยะสองโยรทมที่มัดสัตว์ไว้กับทุกเบื้องต่ำห้าหนึกก่งสกายธิฐิความเห็นว่าเป็นตัวของตน 2. วิจิกิจฉาความลังเลสงสัยสศีลและพตะปาาศความถือมั่นศีลพรต 4. กามฉันทะความกำหนัดในกามคุณ 5. พยาบาทความคิดร้าย 8. อุท ธ, ธรรมภากยะสังโยชน ธรรมที่มัสสั์ไว้กับทุกเบื้องสูงห 1. รูปปราคะความติดใจในอารมณ์แห่งรูประชาณ 2. อ, อรูปปราคะความติดใจในอารมณ์แห่งอรูปประชา 3. ม, มานะความถือตัว 4. อุทจจะความฟุ้งซ่าน 5. อวิชชาความไม่รู้แจ้ง เก้าสิกขาบท5 1ปาณาติปาตาเว ร, รมณีเจตนางดเว้นจากการฆ่าสัตว์ 2. องธินนาทานาเว ร, รมณีเจตนางดเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขามิได้ให้ 3. กามีสุมิฉาจาราเว ร, รมณีเจตนางดเว้นจากการประพฤติผิดในกราม4ีมูสาวาทาเวรมณี เจตนางดเว้นจากการพูดเท็จ 5. สุราเมรยมัชชะปมาทัฐานาเวรมณนีเจตนางดเว้นจากการเสพของมึนเมาคือสุราและเมรยัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทสิ 10. อาภัพทานฐานะที่เป็นไปไม่ได้ห 1. เป็นไปไม่ได้ที่ภิกษุขีนาศจะจงใจปลงชีวิตสัตว์ 2. เป็นไปไม่ได้ที่พิกษุขีนาศจะถือเอาสิ่งของที่ผู้อื่นไม่ได้ให้โดยอาการขโมย 3. เป็นไปไม่ได้ที่พิกษุขีนาศจะเสพเมถุนธรรม 4. เป็นไปไม่ได้ที่ภิกษุขีนาศจะพูดเท็จทั้งที่รู้ เป็นไปไม่ได้ที่ภิกษุขีนาศพจะสั่งสมบริโภคกรมเหมือนเมื่อเป็นขรหัส 11. พยาสนะวิบัติ5 1. ยญาติพยาสนะความวิบัติแห่งญาติ 2. โพคะพยาสนะความวิบัติแห่งโพคะ 3. โรคะพยาสนะความวิบัติแห่งโรคสีศีละพยาสนะความวิบัติแห่งศีล 5. ทิฏฐิพยาสนะความวิบัติแห่งทิฏฐิท่านผู้มีอายุทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายหลังจากตายแล้วจะไม่ไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตินรกเพราะความวิบัติแห่งญาติเป็นเหตุ เพราะความวิบัติแห่งโพคะเป็นเหตุหรือเพราะความวิบัติเพราะโรคเป็นเหตุแต่สัตว์ทั้งหลายหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตนรกเพราะความวิบัติแห่งศีลเป็นเหตุหรือเพราะความวิบัติแห่งทิฏฐิเป็นเหตุ สิสัมปทาความถึงพร้อม5 1. ญาติ ส, สัมปทาความถึงพร้อมแห่งญาติสโภคสัมปทาความถึงพร้อมแห่งโภคะ 3. าอารคยะสัมปทาความถึงพร้อมด้วยความไม่มีโรค 4. ศีลสัมปทาความถึงพร้อมแห่งศีล 5. ทิฏฐิสัมปทาความถึงพร้อมแห่งทิฏฐิ ท่านผู้มีอายุทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายหลังจากตายแล้วจะไม่ไป age, เกิดในสุกติโลกสวรรค์เพราะความถึงพร้อมแห่งญาติเป็นเหตุเพราะความถึงพร้อมแห่งโภคะเป็นเหตุหรือเพราะความถึงพร้อมด้วยความไม่มีโรคเป็นเหตุแต่สัตว์ทั้งหลายหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในสุกติโลกสวรรค์เพราะความถึงพร้อมแห่งศีลเป็นเหตุหรือเพราะความถึงพร้อมแห่งทิฏฐิเป็นเหตุ 13. โทษแห่งศีลวิบัติของบุคคลผู้ทุศีนห้หนบุคคลผู้ทุศีลมีศีลวิบัติในโลกนี้ย่อมถึงความเสื่อมโภคทรัพย์เป็นอันมากซึ่งมีความประมาทเป็นเหตุนี้เป็นโทษประการที่1่แห่งศีลวิบัติของบุคคลผู้ทุศีน 2. กิตติศัพท์อันชั่วของบุคคลผู้ทุศีลมีศีลวิบัติย่อมกระชอนไป นี่เป็นโทษประการที่สองแห่งศีลวิบัติของบุคลบคลผู้ทุศีนสามบุคคลผู้ทุศีนมีศีลวิบัติจะเข้าไปยังบริษัทใดๆจะเป็นขติยาบริษัทก็ตามพรามณาบริษัทก็ตามขหบดีบริษัทก็ตามสมณะบริษัทก็ตามย่อมไม่กล้ากลา้าเก้อเขินเข้าไปนี้เป็นโทษประการที่สแห่งศีลวิบัติของบุคคลผู้ทุศีล 4. บุคคลผู้ทุศีลมีศีลวิบัติย่อมหลงลืมสติตายนี้เป็นโทษประการที่4แห่งศีลวิบัติของบุคคลผู้ทุศีล 5. บุคคลผู้ทุศีลมีศีลวิบัติหลังจากตายแล้วย่อมไปเกิดในอบายทุกติวินิบาดนรกนี้เป็นโทษประการที่5แห่งศีลวิบัติของบุคคลผู้ทุศีล 14. บันอิสงฆ์แห่งศีลสมบัติของบุคลบคลผู้มีศีลห 1. บุคคลผู้มีศีลสมบูรณ์ด้วยศีลในโลกนี้ย่อมมีโภคข้ัพย์เป็นอันมากซึ่งมีความไม่ประมาทเป็นเหตุนี้เป็นอณิสงฆ์ประการที่ 1. แห่งศีลสมบัติของบุคคลผู้มีศีล 2. กิตติศัพท์อันงามของบุคคลผู้มีศีลสมบูรณ์ด้วยศีลย่อมขจรไป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 14. ทำสำหรับผู้เป็นโจทย์ิกษุผู้เป็นโจทย์ประสงค์จะโจทย์ผู้อื่นพึงตั้งทำห้ประการไว้มั่นในตนแล้วจึงโจทย์ผู้อื่นคือ 1. เราจะกล่าวในการอันควรจากไม่กล่าวในการอันไม่ควร 2. เราจะกล่าวถ้อยคำจริงจากไม่กล่าวถ้อยคำไม่จริง 3. เราจะกล่าวถ้อยคำอ่อนหวานจากไม่กล่าวถ้อยคำหยาบ 4. เราจะกล่าวถ้อยคำอันประกอบด้วยประโยชน์จากไม่กล่าวถ้อยคำอันไม่ประกอบด้วยประโยชน์ 5. เราจะมีเมตตาจิตกล่าวจากไม่เพ่งโทษกล่าวภิกษุผู้เป็นโจดประสงค์จะโจดผู้อื่นพึงตั้งทำห้ประการนี้ไว้มั่นในตนแล้วจึงโจดผู้อื่น สิองค์ของภิกษุผู้บำเพ็ญความเพียร5ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ 1. เป็นผู้มีศรัทธาเชื่อพระปัญญาเครื่องตรัสรู้ของพระตถาคตว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นพระอรหรันตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบเพียรพร้อมด้วยวิชาและเจรณนะเสด็จไปดีรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกผู้ที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยม เป็นพระศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีประภาค 2. เป็นผู้มีอาภาษน้อยโรคเบาบางประกอบด้วยไฟธาสำหรับย่อยอาหารสม่ำเสมอไม่เย็นนักไม่ร้อนนักปานกลางมแกการบำเพ็ญเพียร 3. เป็นผู้ไม่อ้วอวดไม่มีมายาทำตนให้เปิดเผยตามความเป็นจริงในพระศาสดา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 สิบเจ็ดสุทาวาดที่อยู่ของท่านผู้บริสุทธิ์ห้าหนึ่งอวิหาสองอตัปาปาสามสุทัสสา ส, สี่สุทัสสีห้าอกติถา นาคามี5 1. อันตราปริณิพายีผู้ที่จะปริณิพานในระหว่างอายุยังไม่ทันถึงกึ่ง 2. อุปหัด จ, จะปริณิพายีผู้ที่จะปรินิพานต่อเมื่ออายุพ้นกึ่งไปแล้ว 3. อสังขาระปริณิพายีผู้ที่จะปรินิพานโดยไม่ต้องใช้ความเพียรมาก 4. ส, สังขาระปรินิพพีผู้ที่จะปรินิพานโดยต้องใช้ความเพียรมาก 5. อุดแทงโซโตโอากากนิธะคามีผู้มีกระแสะในเบื้องบนไปสู่ชั้นอาการนิธภ พ, พ สิกิเลสเครื่องเครืงจิตดุตตปูห้ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ 1. เคลือบแคลงสงสัยไม่น้อมใจเชื่อไม่เลื่อมใสในพระศาสดาจิตของภิกษุผู้เคลือบแคลงสงสัยไม่น้อมใจเชื่อไม่เลื่อมใสในพระศาสดานั้นย่อมไม่น้อมไปเพื่อความเพียรเพื่อประกอบหนึ่งเนืองเพื่อกระทําต่อเนื่องเพื่อบําเพ็ญเพียร การที่จิตของภิกษุไม่น้อมไปเพื่อความเพียรเพื่อประกอบหนึ่งเงเพื่อกระทำต่อเนื่องเพื่อบำเพ็ญเพียร น, นี้เป็นกิเลสเครื่องตรึงจิตดุจตะปูประการที่หนึ่ง 2> 2. เคลือบแคลงสงสัยไม่น้อมใจเชื่อไม่เลื่อมใสในพระธรรม 3. เคลือบแคลงสงสัยไม่น้อมใจเชื่อไม่เลื่อมใสในพระสงฆ์ 4. เคลือบแคลงสงสัยไม่น้อมใจเชื่อ ไม่เลื่อมใสในศีกขาข้อที่จะต้องศึกษา 5. เป็นผู้โกรธไม่พอใจมีจิตถูกโทสะความคิดประทุสร้ายกระทบมีจิตแข็งกระด้างในเพื่อนปรมจารีทั้งหลายจิตของภิกษุผู้โกรธไม่พอใจมีจิตถูกโทสะกระทบมีจิตแข็งกระด้างในเพื่อนปรมจารีทั้งหลายนั้นย่อมไม่น้อมไปเพื่อความเพียรเพื่อประกอบเนืองเนืองเพื่อกระทําต่อเนื่อง เพื่อบำเพ็ญเพียรการที่จิตของภิกษุไม่น้อมไปเพื่อความเพียรเพื่อประกอบหนึง่งเนืองเพื่อกระทำต่อเนื่องเพื่อบำเพ็ญเพียร น, นี้เป็นกิเลสเครื่องตรึงจิตดุดตะปูประการที่5 20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 เป็นผู้ยังไม่ปราศจากความกำหนัดในกาย 3. เป็นผู้ยังไม่ปราศจากความกำหนัดในรูป 4. ฉชั้นอาหารตามความต้องการจนอิ่มเกินไปประกอบความสุขในการนอนความสุขในการเอกขนกความสุขในการหลับอยู่ 5. ประพฤติพรหมจรรย์ด้วยความปรารถนาเป็นเทพนิกายหมู่ใดหมู่หนึ่งว่าด้วยศีลวัตตะบะหรือพรหมจรรย์นี้ เราจะเป็นเท พ, พเจ้าหรือเทพองค์ใดองค์หนึ่งจิตของภิกษุผู้ประพฤติพรหมจรรย์ด้วยความปรารถนาเป็นเทพนิกายหมู่ใดหมู่หนึ่งว่าด้วยศีลวัตตะบะหรือพรหมจรรย์นี้เราจะเป็นเท พ, พเจ้าหรือเทพองค์ใดองค์หนึ่งย่อมไม่น้ อ, ไอมไปเพื่อความเพียรเพื่อประกอบหนึ่งเหน่งเพื่อกระทําต่อเนื่องเพื่อบําเพ็ญเพียรการที่จิตของภิกษุไม่น้อมไปเพื่อความเพียร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 2. โสติน4อินรีคือหู 3. าานิน4ีอินรีคือจมูก 4. ชิวหิน4อินรีคือลิ้น 5. กลกายิน4ีอินรีคือกายข้ ส, สอง อินทรีห้าอีกในหนึ่ง 1. สุขขิน4รีอินทรีคือความสุขกาย 2. ทุกขิน4รีอินทรีคือความทุกข์กาย 3. โสมนัสสิน4รีอินทรีคือความสุขใจ 4. โทมนัสสินศรีอินทรีคือความทุกข์ใจ 5. อุเบกขิน4รีอินทรีคืออุเบกขา ยีอินทรีย์5อีกในหนึ่งสัตธินทรีอินทรีคือศรัทธาสองวิรินทรีอินทรีคือวิริยะสามสตินทรีอินทรีคือสติสี่สมาทรีอินทรีคือสมาธิ 5. าปัญญทรีอินทรีคือปัญญา ทาาที่สลัดห้หนึ่งเมื่อภิกษุในพระธรรมวินัยนี้มนสิการการทั้งหลายจิตของเธอย่อมไม่แล่นไปไม่เลื่อมใสไม่ตั้งอยู่ไม่น้อมไปในการทั้งหลายแต่เมื่อเธอมนสิการเนคขมะจิตของเธอจึงแล่นไปเลื่อมใสตั้งอยู่น้อมไปในเนคขมะจิตนั้นของเธอชื่อว่าเป็นจิตดาเนินไปดีแล้วอบรมดีแล้ว ตั้งอยู่ดีแล้วหลุดพ้นดีแล้วพรากออกดีแล้วจากกรรมทั้งหลายเธอหลุดพ้นแล้วจากอาสวะและความเร่าร้อนที่ก่อความขับแค้นซึ่งเกิดขึ้นเพราะการมเป็นปัจจัยเธอย่อมไม่เสวยเวทนานั้นนี้พระผู้มีพระภาคตรัสเรียกว่าธาตุที่สลัดการมทั้งหลาย 2. เมื่อภิกษุมณสิการพยาบาทจิตของเธอย่อมไม่แล่นไปไม่เลื่อมใส ไม่ตั้งอยู่ไม่น้อมไปในพยาบาทแต่เมื่อเธอมาณศิการอภยาบาทจิตของเธอจึงแล่นไปเลื่อมใสตั้งอยู่น้อมไปในอภยาบาทจิตนั้นของเธอชื่อว่าเป็นจิตดำเนินไปดีแล้วอบรมดีแล้วตั้งอยู่ดีแล้วหลุดพ้นดีแล้วพร่ออกดีแล้วจากพยาบาทเธอหลุดพ้นแล้วจากอาสวะและความเร่าร้อนที่ก่อความขับแค้นซึ่งเกิดขึ้นเพราะ พยาบาทเป็นปัจจัยเธอย่อมไม่สวยเวทนานั้นนี้พระผู้มีพระภาคตรัสเรียกว่าธาตุที่สลัดพยาบาทสามเมื่อพิสุมนสิการวิหิงสาจิตของเธอย่อมไม่แล่นไปไม่เลื่อมใสไม่ตั้งอยู่ไม่น้อมไปในวิหิงสาแต่เมื่อเธอมนสิการอาวิหิงสาจิตของเธอจึงแล่นไปเลื่อมใสตั้งอยู่น้อมไปในอวิหิงสา จิตนั้นของเธอชื่อว่าเป็นจิตดําเนินไปดีแล้วอบรมดีแล้วตั้งอยู่ดีแล้วหลุดพ้นดีแล้วพรากออกดีแล้วจากวิหิงสาเธอหลุดพ้นแล้วจากอาสวะและความเร่าร้อนที่ก่อความคับแคลนซึ่งเกิดขึ้นเพราะวิหิงสาเป็นปัจจัยเธอย่อมไม่สวยเวทนานั้นนี้พระผู้มีพระภาคตรัสเรียกว่าท่าที่สลัดวิหิงสาส เมื่อพิกษุมรสิการรูปทั้งหลายจิตของเธอย่อมไม่แล่นไปไม่เลื่อมใสไม่ตั้งอยู่ไม่น้อมไปในรูปทั้งหลายแต่เมื่อเธอมรสิการอะรูปจิตของเธอจึงแล่นไปเลื่อมใสตั้งอยู่น้อมไปในอะรูปจิตนั้นของเธอชื่อว่าเป็นจิตดําเนินไปดีแล้วอบรมดีแล้วตั้งอยู่ดีแล้วหลุดพ้นดีแล้วพรากออกดีแล้วจากรูปทั้งหลาย เธอหลุดพ้นแล้วจากอาสวะและความเร่าร้อนที่ก่อความขับแค้นซึ่งเกิดขึ้นเพราะรูปเป็นปัจจัยเธอย่อมไม่สวยเวทนานั้นนี้พระผู้มีพระภาคตรัสเรียกว่าธาตุที่สลัดรูปทั้งหลาย 5. เมื่อภิกษุมนัิการสักกายะจิตของเธอย่อมไม่แล่นไปไม่เลื่อมใสไม่ตั้งอยู่ไม่น้อมไปในสักกายะแต่เมื่อเธอมนัการสักกายะนิโรธ ความดับแห่งสักกายะจิตของเธอจึงแล่นไปเลื่อมใสตั้งอยู่น้อมไปในสั ก, กายะนิโรธจิตนั้นของเธอชื่อว่าเป็นจิตดาเนินไปดีแล้วอบรมดีแล้วตั้งอยู่ดีแล้วหลุดพ้นดีแล้วพรากออกดีแล้วจากสั ก, กายะเธอหลุดพ้นแล้วจากอาสวะและความเร่าร้อนที่ก่อความขับแคลนซึ่งเกิดขึ้นเพราะส ก, กายะเป็นปัจจัยเธอย่อมไม่เสวยเวทนานั้น นี้พระผู้มีพระภาคตรัสเรียกว่าธาตุที่สลัดศากายะ 25. เิหตุแทงวิมุติ5 1. พระศาสดาหรือเพื่อนพระมารีบางรูปผู้ตั้งอยู่ในฐานะครู แสดงธรรมแก่ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เธอรู้แจ้งอัดรู้แจ้งธรรมในธรรมนั้นตามที่พระศาสดาหรือเพื่อนพระมารีบางรูปผู้ตั้งอยู่ในฐานะครูแสดงแก่เธอเมื่อเธอรู้แจ้งอัดรู้แจ้งธรรมย่อมเกิดปราโมทเมื่อมีปราโมทย่อมเกิดปีติเมื่อใจมีปีติกายย่อมสงบเธอมีกายสงบย่อมได้รับสุขเมื่อมีสุขจิตย่อมตั้งมั่นนี้เป็น วิมุตตายตนะประการที่หนึ่งพระศาสดาหรือเพื่อนพรหมจารีบางรูปผู้ตั้งอยู่ในฐานะครูไม่ได้แสดงธรรมแก่ภิกษุแต่ภิกษุแสดงธรรมตามที่ตนได้สดับมาตามที่ตนได้เรียนมาแก่ผู้อื่นโดยพิสดารและถึง 3. พระศาสดาหรือเพื่อนพรหมจารีบางรูปผู้ตั้งอยู่ในฐานะครูไม่ได้แสดงธรรมแก่ภิกษุแม้ภิกษุ ก็ไม่ได้แสดงธรรมตามที่ตนได้สดับมาตามที่ตนได้เรียนมาแก่ผู้อื่นโดยพิสดารแต่ภิกษุสาธยายธรรมตามที่ตนได้สดับมาตามที่ตนได้เรียนมาโดยพิสดารละถึง 4. พระศาสดาหรือเพื่อนพระมารีบางรูปผู้ตั้งอยู่ในฐานะครูไม่ได้แสดงธรรมแก่ภิกษุแม้ภิกษุ ก็ไม่ได้แสดงธรรมตามที่ตนได้สดับมาตามที่ตนได้เรียนมาแก่ผู้อื่นโดยพิสดารไม่ได้สาธยายธรรมตามที่ตนได้สดับมาตามที่ตนได้เรียนมาโดยพิสดารแต่ภิกษุตรุกตามตรองตามเพ่งตามด้วยใจซึ่งธรรมตามที่ตนได้สดับมาตามที่ตนได้เรียนมาละถึง 5. พระศาสดาหรือเพื่อนพระมารีบางรูปผู้ตั้งอยู่ในฐานะครู ไม่ได้แสดงธรรมแก่ภิกษุแม้ภิกษุก็ไม่ได้แสดงธรรมตามที่ตนได้สะดับมาตามที่ตนได้เรียนมาแก่ผู้อื่นโดยพิสดารไม่ได้สาธยายธรรมตามที่ตนได้สะดับมาตามที่ตนได้เรียนมาโดยพิสดารและไม่ได้ตรึกตามตรองตามเพ่งตามด้วยใจซึ่งธรรมตามที่ตนได้สะดับมาตามที่ตนได้เรียนมาแต่เธอเรียนสมาธินิมิตอย่างใดอย่างหนึ่งมาดีมนสิการดี ทรงจำไว้ดีแทงตลอดดีด้วยปัญญาเธอรู้แจ้งอัดรู้แจ้งธรรมในธรรมนั้นตามที่เธอได้เรียนสมาธินิมิตอย่างใดอย่างหนึ่งมาดีมานสสการดีทรงจำไว้ดีแทงตลอดดีด้วยปัญญาเมื่อเธอรู้แจ้งอัดรู้แจ้งธรรมย่อมเกิดปราโมทเมื่อมีปราโมทย่อมเกิดปิติเมื่อใจเกิดปิติกายย่อมสงบเธอมีกายสงบย่อมได้รับสุขเมื่อมีสุข จิตย่อมตั้งมั่นนี้เป็นวิมุตตายตนะประการที่5 26. สัญญาที่ควรเจริญเพื่อวิมุติ5 1. อันนีจสัญญากำหนดหมายความไม่เที่ยงแห่งสังขาร 2. อ, อนณิเจทุกขสัญญากำหนดหมายความเป็นทุกในความไม่เที่ยงแห่งสังขาร 3. ทุกเขอนัตตะสัญญากำหนดหมายความเป็นอนัตตาในความเป็นทุกข์ 4. ปหาณสัญญากำหนดหมายเพื่อละอกุศลวิตกและบาป ร, รมทั้งหลาย 5. วิราคะสัญญากำหนดหมายวิราคะเป็นธรรมละเอียดปราณีตท่านผู้มีอายุทั้งหลาย นี้แหละคือธรรมหมวดละห้าประการที่พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตรัสไว้โดยชอบแล้วพวกเราทั้งหมดนี้แหละพึงสังายนาไม่พึงวิวาทกันในธรรมนั้นเพื่อให้ปรมจันทร์นี้ตั้งอยู่ได้นานดำรงอยู่ได้นานข้อนั้นพึงเป็นไปเพื่อเพื่อกูลแก่คนหมู่มากเพื่อสุขแก่คนหมู่มากเพื่ออนุเคราะห์ชาวโลก เพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายสังคีติหมวดหจบสังคีติหมวด6ท่านผู้มีอายุทั้งหลาย ทำหมดแล้วหประการที่พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตรัสไว้โดยชอบแล้วมีอยู่พวกเราทั้งหมดนี้แหละพึงสังคายนาไม่พึงวิวาทกันในธรรมนั้นเพื่อให้พรหมจาร์ น, นี้ตั้งอยู่ได้นานดำรงอยู่ได้นานข้อนั้นพึงเป็นไปเพื่อเครือกูลแก่คนหมู่มากเพื่อสุขแก่คนหมู่มากเพื่ออนุเคราะห์ชาวโลกเพื่อประโยชน์เพื่อเครือกูล เพื่อสุกแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายท่หมดละหกประการคืออะไร 1. อายตนะภายใน 6. หกจากขวาอายตนะอายตนะคือตา 2. โสตายตนะอายตนะคือหู 3. าคานายตนะอายตนะคือจมูกสชิวหายตนะอายตนะคือลิ้น 5. ้ากายายะตนะอายตนะคือกายหมนายตนะอายตนะคือใจ 2. ออายตนะภายนอก6 1รูปายตนะอายตนะคือรูป 2. สัตทายตนะอายตนะคือเสียง 3. ามคันทายตนะอายตนะคือกลิ่น 4. รสายตนะอายตนะคือรส 5. ้าโพัพายตนะอายตนะคือโพธพะหกธรรมายตนะอายตนะคือธรรมารม สมหมวดวิญญาณห 1. จักขุ ว, ขวิญญาณความรู้อารมณ์ทางตา 2. โสตะวิญญาณความรู้อารมณ์ทางหู 3. าคานาวิญญาณความรู้อารมณ์ทางจมูก 4. ชิวหาวิญญาณความรู้อารมณ์ทางลิ้น 5. กายยวิญญาณความรู้อารมณ์ทางกาย 6. มโนวิญญาณความรู้อารมณ์ทางใจ 4. หมวดผัสสะ6 1. จนกจขุ ส, ส, ส, ส, ส, สัมผัสความกระทบทางตาสโซตะสัมผัสความกระทบทางหู 3. าคานาสัมผัสความกระทบทางจมูกสชิวหาสัมผัสความกระทบทางลิน้น 5. ากา ย, ยสัมผัสความกระทบทางกาย 6. มโนโสัมผัสความกระทบทางใจ หมวดเวทนา6 1. จักขุสัมผัสชาเวทนาเวทนาเกิดจากจักขุสัมผัส 2. โสตะสัมผัสชาเวทนาเวทนาเกิดจากโสตะสัมผัส 3. าคาณาสัมผัสชาเวทนาเวทนาเกิดจากคาณาสัมผัส 4. ชิวหาสัมผัสชาเวทนาเวทนาเกิดจากชิวหาสัมผัส หากายสัมผัสชาวเวทนาเวทนาเกิดจากกายสัมผัส 6. มโนสัมผัสชาวเวทนาเวทนาเกิดจากมโนสัมผัส 6. หมวดสัญญา6 1. หนึ่รู ป, ปรสัญญากำหนดหมายรู้รูป สสัทธสัญญากำหนดหมายรู้เสียง 3. มคันธสัญญากำหนดหมายรู้กลิ่น 4. ระสะสัญญากำหนดหมายรู้รส 5. ้าโภภพธพสัญญากำหนดหมายรู้โพธพะ 6. ธรรมสัญญากำหนดหมายรู้ธรร ม, มารม เหมวดสัญญเจตนา6 1. รูปสัญญเจตนาความจำนงรูป 2. สัทสัญญเจตนาความจำนงเสียง 3. คันธสัญญเจตนาความจำนงกลิ่น 4. ี่รสสัญญเจตนาความจำนงรส 5. ้าโพธพสัญญเจตนาความจำนงโพธพะ 6. ธรรมสัญญเจตนาความจำนงธรรมารม หมวดตันหา6 1. หนึ่งรูปตัญหาความทยานอยากได้รูปสองสัทธตัญหาความทยานอยากได้เสียงสามคันทตัญหาความทยานอยากได้กลิ่นสี่รัะตัญหาความทยานอยากได้รสห้าโพธพะตันหาความทยานอยากได้โพธพะหกธรรมตัญหาความทยานอยากได้ธรมมารม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 5. อยู่อย่างไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงในความไม่ประมาท 6. อยู่อย่างไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงในปฏิสันฐาน 10. คารวะความเคารพ6ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ 1. อยู่อย่างมีความเคารพมีความยำเกรงในพระศาสดา2ออยู่อย่างมีความเคารพมีความยำเกรงในพระธรรม 3. อยู่อย่างมีความเคารพมีความยำเกรงในพระสงฆ์สอยู่อย่างมีความเคารพมีความยำเกรงในสิกขา 5. อยู่อย่างมีความเคารพมีความยำเกรงในความไม่ประมาท 6. อยู่อย่างมีความเคารพมีความยำเกรงในปฏิสันฐาน